อย่างนี้ครับนี่ก็ควรเ พ, พหาเพราะหาว่าเราเห็นโทษมันเห็นความจริงแล้วแล้วก็ลงมือทำเลยลงมือทำนใครไม่ทำก็ช่างครับทำมันคนเดียวยทำมันไปเลยกับเราหาธรรมะใครว่าผิดดื้อโค้ก็ช่างมันจะทำมันไปก่อนลลงมือทา แนะนำคำสอนพระพุทธเจ้าเราดูอยู่แค่ทำเท่านั้นมผมก็ควรจะทำผมเคยอธิษฐานในจิตของผมกับพระพุทธเจ้าเป็นหปีกันสัจะจะรูปธรรมมาก็นะท่านสอบคนท่านมุ่งจริงๆนะ6ปีนะ คนทุกวันนี้หกปีเท่านั้ลนะครับกนะ็จะรู้เรื่องอะไรต่ออะไรบางสิ่งบางอย่างต่อสมขควรถ้าเราทำนะ<ม>ลองลองดูสิอื<ม>ขยันเกียดค้านไม่นับมันครับถึงเวลาทำเราทำมันไปดีไม่ใช่ว่าเกียดค้านเนี่ยทำขยันเราทําไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันจะมีพ้นเราอีกแหละอื ม, ม ขัดทานไม่ตรงธรรขยันคืนธรรมก็ไม่ตรงต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าสักนิดอะไรเราชอบเราก็ทําไม่ชอบเราก็ไม่ทํานี่ครับนั่นก็เป็นทีฆณาคาพรามหรือตาเรล็ยบยาวไหมอันไหนชอบข้าสาเอาอะไรไม่ชอบข้าไม่เอาอันไหนควรแจก่ข้าข้ า, ขาเอาอะไรควรแจก่ข้าข้ า, ขาไม่เอาก็ออกไปโน่นอืม พูดไปว่าคนนาาจิตตังเอ้ายังก็ไม่ต้องไม่ต้องทํากันนานาจิตตังนะแต่เราคิดไปอย่างนู้นเรเอาอย่างนู้นเราคิดอย่างนี้นานาจิตตังเขาช่างว่าถ้าได้มาทำลงตรงนี้นานาจิตตังไฟมันร้อนเนี่ยมันให้นานาจิตตังไปเถอะเอามาจับไฟนี่มันจะนาณาไปจนมันก็ร้อนทั้งนั้นเนี่เนี่ยรือต้องคิดอย่างเนี้บางคนนานาจิตตังเขาใช่แล้วเขาต่างคนต่างทําไปเถอะมันนาณาจิตตังนี่ เมื่มันไกลออกไป ท, ทุกทีทุกทีเลยนะเ๋ยวควรพยายามับคนเรานี่มันกลัวนะครับมันกลัวกลัวมันถึงมีปัญญาเนะผมนี่มันหมอกลัวแล้วกลัวผีกลัวเม่ บางทีไม่ได้นอนเนี่ยเขาอยู่ในป่าในภูเขามันกลัวไม่รู้มันกลัวไม่รู้เรื่องมันกลัวเนอันนี้มีประโยชน์ครับไม่ได้ม่ได้นอนครับไ้่ได้นอนมันจะเกิดความรู้สึกระวังอยู่เสมอในคนไม่กลัวนั่นก็นอนเท่านั้นเนี่ยมันไม่ได้วังอะไรแล้วสุขมีเพราะว่ากลัวเนี่ยมันดีมันจะรู้จิตใจมันจะของเห็น ผมว่าการปฏิบัตินี่นะครับไม่ต้องไไม่ต้องอะไรมากะครับไม่ต้องอะไรมันมากมายเนะี่ยเราพยายามศีลของเรานะเระวังศีลก็คือความละอายนี่แหละครับถ้าอะไรสงสัยแล้วไม่ทําไม่พูดมันแหละครับนั่นแหละคือศีลนนะ่ะถ้าหากว่ามันผิดเราเข้าใจผิดเหมือนกันไงเนะ่ะเช่นว่าเที่ยงมันบ่ายไปชั่วโมงหนึ่งแล้วเข้าใจว่ามันเที่ยงอยู่แล้วก็ฉัน ยืนยังไม่บายแล้วกอใจบ่บายแล้วเราก็ฉันอย่างเงี้ยฉันแล้วมันก็ยังไม่บายมันผิดผิดแล้วครับผิดแลวเป็นนวัตเนี่ยถ้ายังไม่บายก็ผิดครับทำไมมันปรมาจิเนี่ยถ้าว่ามันบายจะทำไงล่ะ <c oughs> นี่นี่แหละครับ <c oughs> เป็นนวัตสงสัยแล้วผื้นทําลงไอ้ที่ว่าไอ้ไอบริสุทธิ์นี่มันหมดสงสัยนะครับเพมันไม่สงสัย ถ้าว่ามันผิดอยู่เราสงสัยอย่างนี้มันผิดมันก็ปลุกลูกพอประมาณไม่ได้สงสัยว่ามันมันไม่ผิดนะไม่สงสัยแต่ว่ามันผิดอันนี้ก็มีทางมากที่บางที่ฟางสงมันตายมันเที่ยงหรือยังไม่เที่ยงสงสัยเนาะไม่รู้เที่ยงหรืเที่ยงไม่รู้ถามมันไปด้วยครับสงสัยแล้วคืนต่ําผิดครับถึงแต่วันยังไม่บายก็ผิด ทำไมถึงปรับคนไม่ผิดมันผิดครับมันประมาท<ม>ถ้าว่ามันยังไม่บ่ายถ้าว่ามันบ่ายไปสัมมุทเสียเท่านั้นนี่ครับ<ม>อย่างนี้เหมือนกันรุ่นปฏิบัติสมัยสมัยนี้เ น, นี่ยวันเี้ยผมยังบุญผมยังมีเกิดท่านท่านอาจารย์มัน่น แต่อาจารย์ว่านท่านปฏิบัติไม่ใช่ท่านรีบผูกเสกอะไรหรอกครับวิรานิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศนี่เนี่ยครับเดินกายวาจาเราเท่านั้นเองมันนี่ก็ยังมาถามวมันสะกดจิตมันเป็นไหมลูงพ่อเขาสะกดจิตไม่รู้เรื่องอะไรมไม่ได้นะอัตมาสะกดจิตต้องให้มันรู้จักสะกดจิตไม่รู้เรื่องไหมครับ ม่ามันมีความโกรธเกิดขึ้นสะกดมันไว้ใหญ่มันโกรธขึ้นมันจะโรคสะกดมันไว้เพื่อเด็พิจิณามันอันตรมาสะกดอย่างนี้ไม่ใช่สะกดไปให้มันตัวแข็งไม่ให้มันดูเรื่องอะไม่ใช่อย่างนั้นสะกดแต่มันรู้จักทุกวันนี้อที่ที่การประพฤติปฏิบัติยิ่งไปกันใหญ่ครับคุณฑบูลูกหลานที่จะเกิดมาเนี่ย ทีหลังผมมายิงหลงเงินใหญ่เดีย๋ยวนี้เขานังางนน่งทางในกันชอบนั่งทางในกันโอ๊ดมาผมมันงพ่อนั่งทางในโอ้ยนั่งทางนอกมันก็ยังจะไม่ค่อยได้เลยแค่นั่งทางในไม่รู้เรื่องกันแล้วทุกวันนี้มันจะเชื่อเชื่อกันโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรครับพูดจริงที่ไม่รู้เรื่องกันมันชอบฟังชอบสนใจอพูดที่ไม่พูดที่รู้เรื่องกันไม่ค่อยสนใจแต่มันชอบเป็นอนนย่เงินไปเรื่ย ผมว่าไอ้ปฏิบัติเนี่ยมันทุกแง่ทุกมุมเราผมก็เคยทำมานะซอกหาทางมันเนี่ยไม่มีอะไรจะดีไปกว่าครับการปฏิบัติอันนี้กับปฏิบัติในมันสบายสบายทำไมผมเคยอุปมาประมาะมว่ายัางเราจะคล้ายๆ เ, เราเราเลี้ยงเป็ดตัวหนึ่งครับ จับเป็ดมาเลี้ยงมันเป็นหน้าที่ของเราให้อาหารเป็ดก็เป็นหน้าที่ของเราครับเท่เนี้เรื่องเป็ดมันจะตวเรียวตัวชามันเรื่องของเป็ดครับอย่างนี้เป็ดนี่มมันนานโตระเกินเนี่ะมันยิ่งมีราคาขึ้นจะให้มันเกิดหายกิโลขึ้นวันสองวันไม่ได้ครับมันเรื่องของเป็ดเรื่องของจะฟ้องเป็ดมันจะให้อาหารมันกินเวลานั้นแหละมีหน้าที่ของเรา เรื่องเป็ดจะโตเดียวโตช้ามันใช่เรื่องเรามันเรื่องของเป็ดครับอย่าไปอย่าไปทํางานของเป็ดต้องทํางานเราเอาข้าวให้มันกินให้อาหารมันกินรักษามันเท่าเนี้ยอย่าไปนวนไปแปเป็ดมันนานโตเยอะเกินมันยิ่งมีราคาขึ้นหลายกิโลแสดงว่าอยากจะได้เงินนี่ครับไปบังคับยังงั้นไม่ถูกแล้วด้วยจะปลูกต้นไม้ หน้า like ที่เขาต้องปลูกต้นไม้หาพันไม้มาเราเขามาปลูกทำดุงทำอะไรให้ปุ๋ยมันให้น้ำมันเป็นเรื่องของเราเรื่องต้นไม้จะโตเร็วโตช้าไม่ใช่เรื่องของเราครับมันเรื่องของต้นไม้อย่าไปบังคับมันเลยให้ต้นไม้มันทำหน้าที่ของมันไปเสียเราก็ทำหน้าที่เขาต้องให้น้ำให้ปุ๋ยรักษาแมลงมันี่ดีกว่าครับสบายนี่ยอย่าไปแย่งหน้าที่การทำการประพฤติปฏิบัติของเรามันจะเร็วมันจะช้านั่ะเนี่ยเขาดูปฏิปทาของเราเถอะอย่าไปบังคับ ปฏิบัติอย่างนี้มันก็มีรากฐานดีครับมีรากฐานดีปฏิบัติง่ายๆอารมณ์อะไรมันเกิดขึ้นมานั่นครับเราก็รู้มันจะกทำไมเราถึงรู้มันก็เพราะเรารู้จิตเราอยู่นี่ฉลาดในการดูจิตฉลาดในการตามดูจิตของเราอยู่เสมอนนะ อะไรมันเกิดขึ้นมาอันนี้ผิดไม้มอันนี้ถูกไหมอันนี้ดีไหมอันนี้ชั่วไหมนนไม่ต้องคิดวนว่ายไหนอันนี้ดีเรียกส่วนไหวมันดีแตเนี่ยมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะไม่เที่ยงอันนี้มันไม่ดีอันนี้มันก็ไม่เที่ยงพูดถึงอารมณ์นะแล้วตามเรื่อยๆไปเงี้ยครับนี่นคือทางมันตรงแล้วับทางมันตรงแล้วกับธีว่ามันชอบใจอย่างนี้ไม่แน่แล้ว มันไม่ชอบใจอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนี่แล้วโดนนี่คือทางตรงแล้วครับเราจะเห็นความไม่แน่ของความดีและความไม่ดีแล้จะเห็นความไม่แน่ของสุขและทุกข์อันนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ทําอย่างเนี้ยตรงไปนี้ถ้ารู้จักวันหนึ่งต้องพบกันเลยครัเท่านี้อืสุขนี่มันก็ไม่แน่ทุกข์นี่มันก็ไม่แน่ชอบใจมันก็ไม่แน่ไม่ชอบใจมันก็ไม่แน่เราสับมันไปดื้อ ทีเราว่ามันไม่แน่เดียวมันก็หมดราคาเท่านั้นแน่ครับอ ไ, ไอ้ที่เราว่ามันไม่แน่เดียวมันไม่พิ่มราคาแล้วมันจะหมดราคามันไปเรื่อยๆครับทางเราจะเห็นว่าเอออันนี้มันไม่แน่จริงๆเนะแต่ทางที่เราพูดว่ามันไม่แน่เป็นภาษาที่พูดอาการที่มันเป็นแท้จริงมันก็ไม่แน่จริงๆคำับเห็นสองอย่างนี้อือันนี้ก็เรียกว่าแล้ว่าไม่แน่ตบ น้าพูดว่าอันนี้ไม่แน่มันก็พังทุกทีแหละครับยี่ตรงไหนว่าไม่แน่มันพังเลยแหละครับตัวนี้มันถูกอันนี้มันเป็นตัวอือารมณ์ของวิปัสสนาครับอันนี้จังทุขังนิจตานี่อารมณ์ของวิปัสสนาครับไม่ใช่อารมณ์อย่างอื่นอารมณ์ของวิปัสสนา เราคอยจ้องเท่านี้แหละคับปัญญาเกิดแล้วก็เกิดแล้วก็เห็นเล้วก็บ้านเห็นนี่เห็นจริงที่มันไม่แน่นะครับดูสิเอาดิมันไม่แน่นี่ครับแล้วก็ตามมันไปเรื่อยสุขเกิดมามันไม่แน่นะสอนใจเราไว้ทุกข์เกิดขึ้นมามัเป็นทุกข์ใจโกรธเฮ้ยมัไม่แน่เหมือนกันนะเอาละครับเลี้ยวพบกันจนได้นะครับเลี้ยวเห็นชัดนียเป็นสัจจะตามจริงจริงจะเห็นโอ้มันสุขมันก็เท่านั้นแหละทุกข์มันก็เท่านั้นนั่นนะ ทั้นั้นเนี่ยอยร า, ดดาคาเท่านั้นนะมั้งแต่เราทนไม่ได้ครับเราไม่ทนไม่ได้อะไรมันไม่แน่ยอยากจะให้มันแน่อยากจะเห็นนเร็วเข้าอย่างนี้มันเป็นําบากนะอืมอันนี้เป็นเดีวยวการปฏิบัตินี่เราค่อยๆไฟอืปค่อยๆไฟค่อยๆดูไปรอบๆไปพระพระพุทธเจา้าตรัสว่าให้มีปัญญาให้รู้จัก ฉลาดในการตามรักษาจิตของตนมีอุบายสอนจิตของตนยนื้อผู้รีดค่อยๆไปสม่องสมงูให้มันรู้ให้มันรอดอย่างเราเสียงาตูบาอาจารย์ไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนู้นไปตรงนี้นอยางสียงาตูบาอาจารย์ ตงนั้นใหกระจายแต่ตรงนั้นก็ไม่กระจายไปดีนี่ไอ้ความเจริงนั้นอาจารย์นั้นความพูดแต่ความจริงให้ให้ความกระจายเลยไหมนะให้เป็นที่สังเกตแนวทางอยงนั้นเนี่ยไม่กระจางครับไม่กระจางไอ้ความเจริงเด็กพูดแล้วก็ไม่น่าฟังนะคำพูดเด็มใครยังเชื่อคนอื่นอยู่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญม แม่จะตัดเราเนี่เนะเชื่อตามคนดี่นเนี่ยพระพทุทธเจ้าไม่สนเสริญให้เชื่อหรือตนเองอ น, นี่มันมายากนะอืมัมนมายากไอ้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงครับมันเป็นอย่างนั้นจริงจริเราไปดูข้างนอกจะมาก คือความจริงๆเนี่ยเราไม่เห็นจริงครับเห็นดูรู้มันไม่รอบนองจากสินใจมันเสี่ยปฏิบัติมันจริงๆอยู่กับเพื่อนนี่แหละครับเรามีปัญญานะ่ยอยู่กับเพื่อนเกิดการทำด้วยเพื่อนผูงนี่เนี่ยครับเจ ร, ริญมีปัญญาทาม เครดิตหลายอย่างครับที่มันเกิดมาบางทีก็เห็นว่าอันนี้คนมันน้อยไปที่นี่คนมันมากไปอะไรอย่างเงี้ยนฮะก็ะไล่เราไปด้วยด้วยเนี่อยอนความเป็จริงคนมากหรือคนน้อยไม่ใช่มันจะเป็นเครดิตแล้วพอไปจับมันมันก็กัดเราเขาก็เป็นเขาเขาอยู่อย่างนี้นคิดลองคิดมา แมปีนี้ผมไม่ได้ภาวนาเลยครับตั้งป่วยกระชั่งปีเลยเนึกว่าคิดถูกแล้วผมว่าคิดผิดมันป่วยมันใกล่จะตายทําไมมันเลยภาวนาเนาะผมว่ามันยิ่งเรี่ยงภาวนาเออมันจะตายเมื่อไรเนี่ยมันเห็นตายแล้วมันจะเล่งภาวนาเขาเนี่ยแต่คนเราแม่ปีนี้ผมป่วยกระทั่งปีไม่ได้ภาวนาเลยครับนี่ว่าหางที่สุดแล้วห่างจากการภาวนาที่สุดแล้วครับ ผมมายิ่งป่วยมากนะนั่นเลยภาวนาดีแล้วไม่ใครกระจายแหละผมก็คิดไปอย่างนี้ครนี่ถ้าเรามันไปยึดอยู่ในทุกมันไม่ได้ภาวนานะครับนะถ้าปีนั่นมันไม่ป่วยมันก็สุขมันก็มาติดสุขนี่เท่านั้นแหละถ้ามันไปยึดทุกมันก็มายึดสุขนี่แหละถ้าไม่ป่วยมันก็เทินในกรรมเท่านั้นเนี่ยถ้ามันป่วยมันก็ทุกหรมันก็ติดทุกเท่านั้นเนี่ แต่ทุกมันก็ยังติดทุกทำไมมันจะไม่ติดก็เพรา็ดิดอันเดียวกันอันเดียวนั่นแหละครับจี้มันได้เลยครับตรงนี้หมาจามันตรงนั้นเลยแต่ว่าเราไม่คิดซ้ำไปอีกเราคิดไปเห็นถูกนะแม่มันทุกปัปพนาไม่ได้ดอกนะสุขมันสบายนั่นแหละยิ่งตัวร้ายแหละสุขเหรอเออแก มันสบายเพราะไอ้จอบใจเราครับมันติดสุขแกเราคิดแม่ปีนี้ผมป่วยไม่ได้ภาวนานเลยมันทุกข์เลยปีนี้ไม่ป่วยเป็นสุขสบายอะการมามสังขิตานโยโคอัตตะจิรมัทธานิโยโคพระพุทธเจ้าทำในเดินทางไหนไหม ท่านการรู้ทำมาโผลมาทางเทศตรงนี้เลยครับผมก็ฟังถนัดเด้วยตัวนี้ทำไมก็เพรท่านเป็นทาดมันมานานแต่แล้วนี่พอดีท่านในบนรรลุมรคนี่พานมาทา่านก็โผลตรงนี้ใส่เลยครับอืทางของสมาวยาเดินสองข้างนี่ท่านเห็นโทษมันมาแล้วท่านพูดท่านี้มันก็มีความจริงเนี่ยครับอัตต ทีเรามาทานมยโภมันก็สุขกับทุกข์นี่แหละครับถ้าเราไม่รู้มันทั้งสองอย่างนี้มันก็ไปไม่ได้แล้ว น, ะ น, ะนะนั่นองนึว่าเราพ้นจากทุกข์จะไม่ใช่พ้นมันสุขนี่มันมาติดสุขเพศสุขมันสุขแล้วนะครับมันจะทุกขอยู่แล้วนีน่มันจะเป็นอย่างนี้แต่คนเรามาคิดข้ามไปเรื่อยมีกามนี่จะไม่ลนะ่ะ ยังก็อยู่ที่ไม่น่าจะอยู่มันไม่สบายใจนะอยู่คนเดียวกับแมมันตั้งปีนะอยู่ก็ที่มันสบายมันถูกปัญหาแม่อยู่สักเดือนหนึ่งมันก็ยังไม่พอมันเหรอกอลองไปดูหนะ่ะนักก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่รู้โดยมากคนคิดข้ามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้คิดข้ามไป ทุกวันนี้ยิ่งละที่ปฏิบัติมันหลายครับบางคนหรือใช่อันนั้นมีืปล่าตัวนี้โตไปทำอมนนั้นอีกหรือใช่อันนั้นก็ไม่รู้เรียกกระจายกลางคันเดียกจะภาวนาอนี้ก็ไปน้นสงสัยอนุภาวนาตรงสงสัยอันนี้วุ่นวายขนาดนี้เรียกว่าการภาวนาไหมดูซิ ลองลองคิดดูสิลองติดกิ๊ิ๊กดูสิองลองดูสิวะถ้าอะไรมันเกิดกำไมไม่แน่ครับสุขเกิดขึ้นมานี่ก็ไม่แน่ทุกข์เกิดทำไมจี้มันอยู่งี้ครับเอาอยู่นี่นลยครับไม่แน่ฉะั้นสุขมันก็ไม่แน่ทุกข์มันก็ไม่แน่เรื่องมันจะเห็นจริงๆเหรอครับมันจะไปที่ไหนย้ย า, ยยายที่นะย้ายที่ไม่ได้ มันสุขมันจะสุขไปถึงแค่อยู่มันุก็ไม่แน่น่แน่ไม่แน่อยู่ั้นแหละเดียวมันสุกมันก็เปลี่ยนไม่แน่เราเห็นนั่นไมล่ะทุกยอย่าเพิ่งย้ายที่นครับไม่แน่ทุกไม่แน่อย่าเพิ่งย้ายมันไปนะครับอยู่ตรงนั้นลไม่แน่ตรงนั้นลวงทางอยู่ตรงนั้นหลยเดียวทุกมันก็ไม่แน่เหมือนกันนียมันเป็นอย่างนั้นก็เห็นเนี่ยครับนี่เรานั่งข้ามันไม่พอสอนาทีเดี๋ยวก็ไปแล้ว ไปตรงโน้นดีกว่าไปตรงนี้ดีกว่าไปตรงโน้นดีกว่าเลยเลยเลยไปกันไม่หยุด mm hmm. เรื่องภาวนาก็เรื่องเให้มันสงบเรื่องให้มันสงบครับ mm hmm. รคิดว mm ่า hmm. ถ้าเรามีโทษอยู่นะเราหนีไปใช่ไหมเราหนีไปใช่ไ นี่ไปนโน้นที่เขาไม่เจอกับเราไม่เห็นกับเรานังไงอย่างเราเป็นหนี้เขาน่ะเม่มันวุ่นวายหนีมันไปแทดีก่อนให้มันห่างเจ้าหนี้น่ะมันก็สบายครับแต่ว่าเมื่อเรากลับมาบ้านมาเห็นเจ้าหนี้มันจะเป็นยังไงนี่นี่เรื่องสมาธิครับมันสงบอย่างนี้เรานี้อารมณ์ไปเนี้ยมันก็สงบครับ ตาไม่เคยจะเห็นหูไม่เคยด้ยินเมันก็สบายไปแต่นั้นเหี่แต่เมืเ่อเรามาได้ ย, นนยินมาเห็นอีกมันจะเป็นยังไงเราหลบหีเจ้านี้ไปสะครับไม่ได้เจอกันไม่ได้พูดกันมนันก็สบายไปเจูเราวไปแต่นั้นเมื่อเรากลับมาวานมาพบเจ้าหนี้เป็นยังไงนะ <c oughs> <c oughs> ก็ยังเรื่องมันไม่เสร็จครับมันก็เป็นเรืเรียกว่ายความสงบมันมีสองอย่าง สงบเรื่องสมถะแล้วไปดบอยู่ที่เียดมันมีอยู่แต่ว่าในเวลานั้นมันไม่มีจิตนั่นืต่ว่ามันไม่หมดนะเผลอมันเข้ามาอีกกลับมันก็ยังทุกข์อยู่นั่นแหละมันมีเรื่องอยู่ครับเช่นในวัดตอนนี้นะแต่เป็นโย ม, มนะเราได้มาขโมยเอาพระไปนะ่ เราไปเอาเอาเศียรพระไปนะแต่ใครไม่รู้อ่ะที่นี่เราก็มาบวชเดี๋ยวต้มาอยาู่ในวัดนี้เราจะเป็นทุกคนเดียวแเศียรพระเราออกไปแะแล้วสงฆ์ไม่รู้ด้วยกัช่างเขาเราเป็นบาปอยู่คนเดียวเนี่ยมันสงบไม่นี่ยเข้าใจไหมมันสงบไหเรารู้คนเดียวเราไม่สงบอยู่แล้วเนี่ครับอือันนี้ครับมันมันมันเป็นสิ่งที่มันสําคัญอยู่นะ จะไปคิดไปอย่างอื่นมันก็ไม่ไปมันมอยู่ยงั้นตรงนี้มันก็เป็นของสำคัญไม่เอามันเร็วมันช้าเราับปฏิบัติแล้วมนะ่ตรงมุงวังอะไรมา ผมไปพบเพื่อนองค์หนึ่งอยู่ลบบุรีลบบุรีครับเป็นน้กตาท่านบวชมาหลายครั้งแล้วก็จากผมไปภาวนาม า, า, าแล้วเมื่รัรแม่ท่านอาจารย์แม่เดียวนี่ผมดีใจซะแล้วลว่าทำไ ม, มผมเชื่อแน่ว่าผมบริสุทธิ์จะแล้วทำไมเป็นงั้นแม้ผมไปพระบาทไปปราบพระไปยกุกพะ ข้าพระเจ้าจะบริสุทธิ์แล้วก็ขอให้ยกนี่ให้ขึ้นเลยถ้าไม่บริสุทธิ์โดยยกใหญ่ขึ้นโดยอธิษฐานอย่างดีโดยเขาไปยกแม้ธรรมดาเขายกไม่ขึ้นผมยกมันขึ้นแม่ดีใจเลย่องนี้ครับมันผิดไปหลายร้อยกิโลเลยครับเมื่อาไปฝากไปกับวัตถุนี่ครับมันไม่ได้เรื่องในราวเลยครับนี่เท่านี้ท่านก็เข้าใจว่าท่านหาพยานยไม่ได้ก็เลยเอาพยานอย่างนั้นเลยดีใจ ว่าบริสุทแล้วไปได้แล้วทำไมยกพระขึ้นมันไม่น่าจะเอามาพิจรารณาเรื่องแันนี้นี่เทา่านี้ครับเทา่านี้วัตถุตอนนี้อันนี้เพราะว่าไม่มีควาหมายต้องไปเสียงทายต้องไปอะไรเอ า, อางั่นเดือือม ทุกองก็คงจะเอาบังไหม <laughs> มันชอบจะเป็นอย่างนั้นครับปฏิบัติไปไหมินบางทีนอนฝันว่าเออมันฝันดีอย่างนั้น่แหม่ดีใจที่เกิดในนี้นว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยอันนั้นไม่ดูจากมงคลตีดข่าวอะไ่นั่นรีว ไปเชื่อคาดกรณีเอาเดาเอาไงไ ม, ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นนี่ครับอืมันไม่จริงอย่างนั้นนี่ครับมันไม่เป็นอย่างนั้นอั่นน่ะใจตัวจริงนี่มันนั่นก็นนนดีใจอย่างคนในโลกเลออมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ฝันไม่เคยดีอะไรเมื่อคือนัมันเป็นเรื่องของคนในโลกเขามาควรจะเป็นเนะ่ เรื่องกะภาวนาแล้วไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของอย่างนี้ยั่งเลยเหมือนกันฉะนั้นทั้งไอพรโยอายุวรนณูสุขังพลังก็พอแล้วอายุอายุยืนยื้อในมีความสุขก็พอแล้วแต่พร ะ, ะไม่เอานะอายุวโรณูสุขังพลังนะครับ ไม่เอาไม่พอใจครับอือเอาไหมอยากเอาไหมอายุวโนโสุขังบาลังมันมันเสร็จหรือยังมันจบเรื่องมันอยังอายุมากนานตายเนี่ดีไหมเอาไหมเราควรพิจารณาดูใช่ไหมเ่วาโลกเข้าก็บว่าดีแต่เราเห็นไปแล้วเราก็นึกว่า แต่เราก็แสงแมันไม่ได้หรอกครับเราจะพุ่งไปดีใจเสียใจกับมันเลยเนแต่มันจะเป็นไปเท่านั้นนะบางคนก็ดีใจเรื่องคือมันไม่มีที่อยู่นะครับคนจะมีที่อยู่็รังไม่ออก มัฟังไม่ออกครับที่อยู่ตรงไหนมีพบตรงนั้นเขาจึงเรียกว่าที่อยู่ของเขาถ้าตรงไหนไม่มีพบนั้นเนี่ยก็หาที่อยู่ไม่ได้ฉะนั้นมนุษย์แตมันทุ่งกันไปซะถึงสุขชอบลลงมาทุกข์ทั้งกลางนี่ก็ไม่เห็นงกลางไม่มีที่อยู่ครับไม่มีที่กเกาะเหนียวกระใจ กล่าว้งเหนือพระมีพานไม่มีเกิดมีตายโอ้ท่ม่เอาเนี่ยครับถ้าจะไปเห็นหน้าดูกหน้าหลานครับไ่เห็นหน้าเพื่อนครับนี่มันจรินใช่ยงงี้ครับมันพูดถึงไม่เข้าใจมดูเรื่องผมมาปรับใจมันดูซิครับไม่ต้องเอามากอะไรทั้งไรหรอเอามันชิมห้าวัน 15, เอามันจริงจังนะแต่ว่าจะให้บังคับมัน ให้เป็นอัตตะนะนี่มันพอดี น, นะพยายามทำาัดยคือพูดไปท้งสิ่งที่ไม่เข้าใจของคุณเหมือนตรพูดอย่างโลกเขาเลยพูดมันต้องมีเหตุผลฟังได้ถ้าไม่มีเหตุมีผลก็ฟังไม่ได้ ถ้าพูดถึงมาเกิดตายเขาดูเรื่องพูดถึงไม่เกิดไม่ตายเขาไม่ดูเรื่องพูดถึงเหตุผลก็กรู้เรื่องพูดถึงเรื่องว่านอกเหตุเนื้อผลเขาไม่รู้เรื่องเ <c oughs> นื่มันเป็นใจอย่างนี้นะจะเอาอยัางไงกันเนอืย <c oughs> อันนี้มันเป็นธรร ม, มาชาติที่ไม่มีใครบอกให้ปฏิบัติไปเท่านั้นนี่ยปฏิัติมันรู้เฉพาะเจ้าของ แต่พระพุทธเจ้ามันบอกได้ทั ก, ก็บอกไปหมดถึงแค่นั้นไปฟังวันนี้มันเป็นวันที่จะจวนจะาพอพรษาแล้่ขวัญวัดปฏิบัติอันใดเฉพาะวัดหนองปลาโพงที่ทํากันมานี่ผมก็ไม่เคยได้พูดอะไรมากวันนี้เป็นโอกาสดีจําเป็นจะต้องพูดสําหรับที่ว่าวัดหนองประโพงเนี่ย ปฏิบัติกันมาอย่างไรอันนี้มันจะต้องพูดกันบ่อยเพราะว่าคนเก่ากว่านี้ไปแล้วคนใหม่ก็มาอีกนะคนใหม่อยู่ไปพรรษาหนึ่งก็เป็นคนเก่าอีกนี้ไปอีกคนมาคนใหม่ก็มาอีกอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายนะจาเป็นจะต้อง อบรมกันบ่อยถึงไม่ไหวจะใครจะรู้อะไรมาบ้างมากมายก็ตามดีเรือว่าอันไหนก็ตามเหมือนเรามาพูดส่วนที่ว่าเราปฏิบัติร่วมกันอยู่เท่าที่ผมเคยไปสแสลงหาโมกกาธรรมเนะ่หลายแห่งซึ่งทั้ง ไอ้พวกเรานี่ก็บวชมาแล้วก็เรียนหนังสือค้พยายามเรียนหนังสืออยู่พยายามแปดปีผมเรียนหนังสืออยู่ก็ไม่เก่งอะไรหรอกเรียนไปอย่างนั้นแหละตามภาษาภาษาก็ากงเข้าใจวางเวียนวางอย่างแล้ว น, นอกนั้นไปคิดออกจากปฏิบัติผมก็เลยออกปฏิบัตินึกว่าเป็นธรรมดานะ โดยมากเรานับบวชมันเป็นสองมีกายเป็นธรรมยุธนิกายบางังเป็นมหมาณิกายบางังง่างกาัน้วยเกินครับเท่าก็ไม่ไปได้จะออกปฏิบัติผมกว่าจะทำไงดีนอกนะแสดงหาครูบาอาจารย์ก็มีสองข้าง ก็เดินไปพยายามเดินไปทำหน้าที่การประพฤติปฏิบัติไปเบื้องแรกก็ไปยึดท่าเทระมหานิกายแล้วเป็นครูเป็นอาจารย์เบื้องแรกทำไปก็ยังไม่เป็นที่พอใจคนระับไม่เป็นที่พอใจ ไม่เป็นที่พอใจในข้อปฏิบัติที่เราศึกษามาก็ห น, นี้ไปก็ไปถึงลบบุรีแห่งไปศึกษาข้อปฏิบัติทวีไนจสราทันษาเออนนี้พอใจ ในการต่อพืชปฏิบัติในขนบธรรมเนียมออกจากนั่นอีกก็เข้าไปหาอาจารย์ธรรมยุธทธเช่นท่านอาจารย์มั่นเป็นตัวอย่างครับใจอื่นก็ไปมากครับแต่อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ ผมไปฟังธรรมครับทรามอาจารย์ตรงนี้จ ส, สิ่งที่แปลกประหลาดหลายอย่างที่ก็ภายหลังก็มารวมกันเราจะอไงดีเนาะมารวมกันเนาะทำรรมาวัดไปกันแล้วนะครับรำมยุทธกรรานิกายเนีู่้ท่านคือปฏิบัติรวมกันไกลกันมากเลยครับกลายกันเดียวอืไกลกันมาก มัไกลกันใจก่อนผมก็ฝายทำมายุทธมาดิกายนี่ก่อนนี่ถูกเขายุ่กับปัดนปอบเหมือนกันแหละคนเหมือนกันไหนทําไมมันถืออะไรยังไงหยุดไหวอย่า ง, างนี้แต่ความเจริงมันเป็นที่ททมาณ์ของเราความเป็นจริงผมเข้าไปฟังท่านอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วเนะี่ยก็เรียนมาดีมาบ้างก็เรียนนักธรรมมาบ้างถึงมาทำบิด ไม่ค่อยดูเรื่องอะไรนี่นี่ครับสายปฏิวัตินี่ครับไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยดูเรื่องคือรักณะนาเรื่องเรื่องจิตใจจริงๆนะครับฟังไม่ออกแล้วเราเราฟังไม่ออกถ้าเราจะฟังออกในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราจะต้องกำหนดรู่จักจิตของเจ้าของ พยายามตามรู้จิตของเจ้าของจึงจะรู้ว่าอาการจิตอันนี้มันเป็นอย่างไรครับนีมันอยู่ตรงนูน้นมันเป็นอย่างนั้นแค่นั้นผมจมึงไศึกษาข้อปฏิบัติอันนี้โดยเฉพาะมาโดยการพิจารณานะโดยมากก็ไม่ไปมากองไปองคเดียวครับ ไม่อาศัยพระที่ปฏิบัติท่านอยู่เขาไอยู่ไปเขาให้นั่งท่ายแถวเขา่ปนั่งเขาให้ทำโมโหสุดแต่สุดทำไม่ทํำผมก็ไม่ทําผมเห็นมัเป็นเรื่องเล็กเลนิดน้อยไม่เป็นเรื่องสําคัญขอจะเราอยู่ไร้ความตรงนี้ได้ปฏิบัติในดูข้อประพฤติปฏิบัติเท่านั้นนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอะไรเข้าไปไม่ไ้ยี่แล้ว ทีไห น, นเขาว่ามันคลึงทีไห น, นเขาว่ามันตึงทีไห น, นเขาว่ามันเข้าไปชอบไปตรงนั้นทีในสมัยนั้นพระอาจารย์ม่านมีเป็นตัวอย่างผมก็ต้องเอาไว้ก็ไปดูไปพิจารณาเป็นธาตที่สําคัญอยู่เป็นสำคัญ เป็นสิ่งที่สาคัญผมเลยยึดเอาปฏิปทาท่านมาพิจารณาด้วยกันท่านในความเห็นหความรู้ความเห็นของผมสาคัญเหมือนกันแต่ว่าไอ้พวกไอ้พวกลุกศิษ์ทั้งหลายโดยมากม ย, ยุเหรือท่านอาจารย์ชาเนี่ยจอยู่แต่อาจารย์มัน่นแต่เดียวเดียวท่านั้นจะมีอะไรได้ผมก็ยอมรับ ยอมรั บ, ลบแล้วพมเห็นว่าถ้าอากว่าคนตาบอดนะมันจะนั่งเฝ้าแสงสักทีวิตหนึ่งผมก็บอกมันไม่เห็นแสงเลยนี่มนผมเห็นผมว่เป็นอย่งนี้จะถูกหรือผิดมันก็ไม่รู้พอเรายินเขาว่างันมันก็เกิดรู้ความรู้สึกขึ้นว่าคนตาบอดมันจะนั่งเฝ้าแสงสักทีวิตหนึ่งผมก็บอกโอกาสมันจะเห็นแสงในะไม่ได้ อันนี้คือถึงเรื่องข้อปฏิบัติที่นี่เมื่อเข้าไปพิจารณาแล้วเัาไอ้ข้อปฏิบัติที่เราเรียนมาเนี่ยครับบัญญัติเลยครับมันไม่เป็นที่ศอกยิตฟอก ใ, ใจของเราหรอกครับจะพูดง่ายๆฟังไปจนท่านมหาเนี่ยท่านเรียนเรียนบาลีครับก็เรียนภาษาตามธรรมดาครับไม่ใช่มาเรียนเนี่ยมันค้นอะไรไปครับนี่จะหาว่ารู้ถูกแค่นั้น ดูวะรับผมพูดความจริงเนี่ยอย่างเรีย น, น่ะมหาเนี่ยครับเรียนไป เ, อ, เอัอกีกีประโยคเรียนไปมันเรียนภาษานี่ครับแปลภาษานะเพราะนั้นไม่มีอะไรที่จะพอกจิตใจของเราให้มันอืนในด้านปฏิบัติให้มันดีขึ้นมากยิ่งเรียนก็ยิ่งดื้อตัวนี่ไม่ใช่เหตุทุกคนนะคไม่ใช่ทุขุผลเสวายฐานะที่เราเรียนเช่นนั้นมันเป็นอย่างนั้น เมื่อผมเขาเข้าไปสู่ข้อปฏิบัติเขาครูวาอาจารย์มองดูเจ้าของโอ้โหดั บ, บากมากโค้งง่ายๆนะครับนะ่อย่างที่พวกเราถือกันมานี่ททำกันมาเนี่ยครับมันผิดหมดนะมันผิดอย่างการใช้ปัจจัยเงินทองของสังายต่างๆ กายบิน ญ, ญัตว่ากีบินยัติสารพัดอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าน้ำตาล น, น้ำอ้อยใช่ไาหมาเจ็บไปฉันไปเจ็ดวันอย่างนี้เป็นตัวเกลือฉันตลอดชีวิตอย่างนี้ยกขึ้นเป็นตัวอย่างเราก็เห็นว่าเกลือเราเจ็บไปแล้วฉันมันได้ถึงนั้น ไอ้พวกนี้เอาใส่แกลงก็ได้เอาใส่อะไรก็ได้แค่นั้นแหละน้ำตาลเกอะไรชันในเก็บวันในระยะเจ็ดวันนี่แค่นั้ น, เ, นเราจะไปทํำกติอะไรก็ได้จะไปทํำอะไรก็ได้เจ็ดวันฟัมเข้าใจคมเป็นอย่างนั้นไอ้ตอนเป็นจริงเข้าสู่ข้อปฏิบัติโอ้โหแต่เราโก ว, ว่ามันปันนะ่ะแต่เราไม่ได้พิจารณามันถึงที่มัน เช่นว่าน้ำตาลเก็บวันนี้เพื่อเป็นยาเท่านั้น เ, เรลืนนรอาาตลอดชีวิตนีเน่เพื่อเป็นยาเท่านั้นเก็บเกลือในวันนี้พรุ่งนี้จะไปทําอาหารไม่ได้เจ็บน้าตาลในวันหนึ่งในเจ็ดวันเฉพาะเป็นยาเท่านั้นเจ็บได้ข้างคืนเนี่ยจะไปทํากะทิไม่ได้จะไปกินกับอาหารไม่ได้จะไปฉันเป็นอาหารในพรุ่งนี้ก็ทิ้งเท่านั้น พอไปถึงข้อประเุดปฏิบัติแลาโอ้โหไม่ได้เลยครับเราต้องทั้งกั้นเราก็เด่นกันมานานแล้วเจ็บน้ำตรงน้ำตาลไปหกวันนี้เจ็วันเนี่ยเราจะไปทำกะทิอะไรไปทำอาหารก็ทำไปตามเรื่องเพราะาเพื่อเจ็บดนตลอดชีวิตเอาไปทำอาหารนี่เฉพาะเป็นยาท่นั้นเนียเฉพาะเป็นยาถ้าเราคิดไปว่าโอ้เบื่อเนียครับผมเบื่อ เบื่อชีวิตเจู่ของในบว์กมาในพุทธศาสนามองมองดูในเจ็ดปีแปดปีมองไปข้างหลังร ว, ว่าเราปฏิบัติถูกต้องเรียนก็เรียนมานแต่แม้มันไม่เห็นครับเสียหายมาหลายปัจจัยเงินทองกระพายงอย่ใหย่เล้วไม่รู้ว่าเราผิดครับไม่รู้ว่ามันะได้ืม โดยมากพวกคือว่าอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานมหานิกายแล้วนี่ะอยู่ตามทางตามเขานะครับที่ผมไปดูไม่ใช่ดูถูกหละครับแค่นั่งสมาธิเก่งแต่ว่าเอาเงินใส่ยามเอาน้บตาลใส่ไหไว้ทำกินเองสารพัดอย่างครับนี่โยมมันไม่ดูเรื่องอะไรกัน ไอ้ความเป็นจริงนื่นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่เราควรปฏิบัติยิวัดต้องกระโง่งี้ม่เอาแต่ว่าในย่านหนึ่งมีผ้าเทราองหนึ่งมาตอนเย็นแจกง้ำตาลกันแอบไปฉันท่านก็กจะหิวอะไรวัาก็ไม่รู้ท่านก็เก็บไว้คื น, นนะเอาใส่ ย, ย่ามาตอนฉันจะหันเมื่อฉันจะหัน เกจมาวางย่ามไวม้เขาบอกว่าเนียนเนียนเนีนถวายย่ามเถวายย่ามผมก็มองเอ๊ะทำไมกลัวย่ามจะฟองเลี่ยจะายมาเจต ก, กติเดี๋ยวมาวางก็กลัวซะแล้วถ้าไม่กลัวย่ามจะฟองเนี่ยผมก็เลยบอก ว, าวา่าท่านอาจารย์ทำไมกลัวย่ามอะไรอยนี้นั่นเพราน้ำตาลน้าตาลมาจากไหนครับเกบไมเ่เกจบาว า, ว า, วานี้ทำไมถึงกลัวมันเนี่ย ผงจะฉันกับข้าอันนั้นมันพ้นความผิดหรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่ได้ไล่นะวางงผมอยากจะถามดูว่าจะทำไงาการแกเห็นว่าเก็บไว้แล้วอาจจะยากจะพายลงมาวางไว้จะให้คนอื่นถวายแล้วกันฉันได้อย่างนี้เป็นต้นครับอย่างนี้เป็นต้น อย่างนั้นก็ต้องทํากันผมก็เคยเป็นมาทํามานับตาเจ็บมาเธอไม่รู้กี่วันกี่วันกี่เรียนกี่ปีก็ไม่รู้รแหละครับให้มันหมดกันแหละเป็นอายุของมันนี่แหละ ท, ท, ทั้งทั้งคณะกี่เดียนหนังสือยู่ทั้งครูว่าอาจารย์ที่เรียนกันอยู่ไม่เคยจะรักษาอันนี้ครับอย่างนั้นเรียนแล้วยมันก็ไม่รู้จักแล้วผมวิดว่า ถ้าคนเรานะีน่ยไม่มีความระยไม่มีความกลัวแล้วเขาไปไม่ได้จะข้าวไปโย่กไปไม่ได้ไม่ใช่นักปฏิวัติไม่ใช่ดุสิตถาถาเขาไปไม่ได้ะจะรู้สูงเท่าไหร่ก็ช่างเถอะครับไปไม่ได้อันนี้มองอภูสห้าที่เราทํามาดิที่เสียหายหลายอย่างไม่สมต้องการกับพืชปฏิบ มันไม่รู้จริงๆนะครับไม่รู้จริงๆไม่รู้ท่านยังบอกว่าให้รู้ในสิ่งให้ให้พิจารณาให้มารู้ในสิ่งที่เรารู้ให้พิจารณาให้รู้ในสิ่งที่เรารู้ในสิ่งที่รู้อันนี้ก็เป็นของฝังญาประการที่สองเพราะว่าจราบว่าใคร ไม่เห็นโทตในสิกก่งทั้งหลายเหล่านั้นแหละผมาละนี่ครับไม่เห็นประโยชน์ในการละเช่นนั้นเนี่ยก็ปฏิบัติไปไม่ได้ครับไม่ยอมปฏิบัติไม่ยอมรับนี่ผมเห็นผมเป็นอย่างนี้คนมาปฏิบัติพระเนนมาปฏิบัติที่จะยอมรับปฏิบัตินี่ผมว่ามันน้อยไม่ค่อย่งีครับ แต่เข้าใจว่าเรามาปฏิบัติแต่ว่าเรื่องปฏิบัติแท้ๆนั่นครับมันเราไม่ชอบกันแหละไม่ยอมรับอันนี้เป็นดเหตุแน่เกินครับไม่มีความระอายไม่มีความกลัวแล้วผมก็ปฏิบัติไปไม่ได้ข้อนี้ข้อสองถ้าว่าไม่เห็นโทษในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราละมันไม่ได้ ไม่เห็นประโยชน์ในสิ่งการกระทำเกณนนั้นแล้วก็ปฏิบัติไม่ได้จะอยู่ไปก็อยู่เถอะครับไม่ไปดัานั้นอันนี้มันเป็นมันเป็นข้อเราจะต้องพิจารณานะ<ม>ยังอีกหลายหลายเรื่องครับเรื่องผู้ใหญ่กับเรื่องเด็กๆมันยังหลายอย่างครับเรื่องผู้ใหญ่เนี่ยมันน้อยเรื่องเด็กนี่มันเหลืออยู่มาก ม, มันได้อยู่มากถ้าหากว่าองค์ไให้มีความะอาย้วยมีความกลัวนั่นเนี่ยองค์นั้นเนี่ยครับจะทำศีลให้บริสุทธิ์เป็นพรอมจรรย์ได้ถ้าใครไม่มีความกลัวด้วยความอายนี้เฉ<ม>พาะในใจจะของเนี่ยพราะมันไปยากดังนั้นพวกอ่ พระเนนเราจะไม่ยอมรับคำสอนของพระพุทธเจ้าตามความจริงอันนี้มันผิดนิดหน่อยอ ะ, ะนั้นไม่โทุกนิดไ ม, ไม่ค่อยแต่ทำกันเสียหายหลายคนที่สุดก็เลยเป็นครุ่มเป็นก้อนกันฉะนั้นปี น, นี้น่ะมีพระเนนสัญจรมาจากถิ่นฐานอื่นมาก ในสามสี่ห้าปีต่อมานั่นผมเคยพบเหมือนกันเลยว่าเป็นครูโรงเรีเนยนนักศึกษาน่ะมา เ, เป็นคนที่ฉลาดทั้งนั้นเละมาเนี่ยครับปีนั้นวัดผมเกือบระเบิดเกือบแตกไปจนหยุดนิ่งเลยครับผามวาหยุดหยุดพักนิ่งนิ่งไม่ต้องพูดน่นิ่งเลยปฏิวัติเข้าเดิมก็จะทำนงินเข้าไป มันสู้ไม่ไหวมันมามากเช่นปีนั้นผมว่าอ่ า, อามันเป็นเหตุเพราะการฉันยาบางคนนขาเอานมมากินอยู่ในกติกมา ม, มาีเอานมมาเอาน้ำซงน้ำตาลมาเอาอะไรอะไรต่ออะไรมาอืมเนื่อไปนะั้น ไอยโยมีมันก็สำคัญเนี่ยเอาดานมาบวชเอาลูกชายมาบวชแต่มัก็เอาขมาตรงนี้นเอาน้ำตาลมาฝากลูกชายเอานมมาฝากลูกชายเอาบุดีมาฝากลูกชายสารพัดอย่างนอกจากนั้นไปพ่อแม่ไปมาเพื่อนมันย่องทวารทั้งนัน้นอีกนี่ครับจากพระเนรนัเป็ดชาตเป็นเนรเสียหมดเนี่ยครับอยู่ในป่า เราเห็นว่ามันเจนิดจะเหนื่อยก็ให้ผ่ อ, อนผันไปตามเรื่องก็งไม่ใช่ครับแล้วก็เอาเจ้าอังโลมาวางไว้ในกระเบื้องนีแหละต้มน้ำจิ้มหาน้าตาลมาหานมมาสารพัดอย่างจิ้มกันไปคึ้นนี่ครับเพราะมันมากมาเต็มทีลราเสียหาย ถ้านเน้นพ้นตรงหยุดเลิกไม่ต้องติดต่อแล้วเสียหายแล้วก็กินนมแล้วก็สูบยาแล้วก็คุยกั น, นสารพัดอย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนเรื่องนี้มันเคยเป็นมามันเคยเป็นมามันเคยมีมาฉะนั้น พระเนนที่มาจำพรรษาปีนี้ผมจึงเล่าให้ฟังก่อนพรรษาผมเคยว่าจะมาอยู่กับผมทําได้ไหมมันยากนะมันไม่ผมว่าไม่รู้ว่าผมจะพูดยังไงมันยากนะเท่านี้ยังไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจพอคือมันยากอีกนะแต่คนีศ่งช้าจะมันก็ยิ่ยากอืมันก็ไม่ยาก คนที่ไม่มีศรัทธานี่มันยากมันลำบากอาการทุกข์แห่งเห็นมาอยู่กบับผมแล้วมันยากเลอยู่กบับผมแล้วมันยากนะไม่รู้ับไม่รู้เมื่อมาอยู่มาถึงคอวัดเ้ามาเนี่ยลบากนะดังนั้นที่มาอยู่นี่ผมจึงห้าป่ปวยกเย็เป็นป่วยกันต้มน้ำร้อนเป็นยาเป็นป่วยครับก็ให้คนป่วยขอ้อห้า นนั่นครับอการจมน้าในรถเข็นหนึ่งครับรถเข็นทุ่กไปเนี่ยเต้นเลยครับให้พระเนรออกกันหนินเรากาหน้ามากาที่ไปตจมน้ากันเองครับมันเดือดเกิดนี่มันไปถึงไหนนี่ไอ้ที่ยาจริงๆนะครับมันเจ็บมันป่วยมันกินยาตจมน้าเป็นบางครั้งบางคราวมันพอ ต้มน้ำชันน้าตาฉันน้า ช, นนชาชั้นอะไรกันนี่ครับมันไม่ใช่เป็นยาจะแล้วครับมันเป็นเหตุให้เสียทั้งนั้นดังนั้นผมจึงปิดการต้มน้ำร้อนฉันจะเป็นกลุ่มในเรื่องไม่ให้เอาเตาอัางร้อนนึ่งเอาเออกแม้แต่เนกุติไม่ได้เอามารวมทิงให้ชั้นยาเฉพาะวันพระที่เขามาถวายวันพระให่ไหม มีกระมกาแฟเขาถวายก็ฉันพอแลย้ยมีนมมีเนือยอนช้าเขาชงมาฉันจะันเดือประชันจะให้พอลแล้วเท่า น, นั้นปีนี้ก็ต้องทำอย่างนั้นให้บอกไว้ทุกวงหน้าให้รู้จักไว้ครับคือผมยอมไปตา ม, มพิสูจน์สมเด็จผู้มาสู่นี้ไม่ในยีทั้งนั้นก็มีแต่เงื่นส่วนทั้งนั้นแหละไม่เอาแหละไม่เอา ดังนั้นผมจองบอกก่อนพรรษาว่าใครจะปฏิบัติอยู่ได้ไหมทำได้ไหมอะไรไหมใหญ่มันเดือดร้อนทำตามพระวินัยเนี่ยมันได้บอกก่อนพรรษาไว้มาอยู่นี่ก็ต้องทำอย่างนี้ครับใครก็ช่างเดิมมาจัดไหมก็ตามต้องทําอย่างนี้ถ้ า, าก็มันผิดก็ไปเปิดดูพระวินยัยทั้งหมดเลยครับอ่านไปละ นี่ถ้าเราวังด enfin ีก็ต้องทำแบบนี้ด้การใช้ผ้าอะไรต่างๆทุกอยางให้ทำแต่ในน้อยมันทำเพื่อความอยากฝ่ายีวอนสามผืนสี่ผืนเอาดีซักดิติ่ซักเลยซักฝืนนี่หรือผืนนั้นเต้นปากตรวในซักมันลำบากเลย้าสามืนน่ยก็พออย่างนีจีีวอนกับสังขาติดอนนั้นเนยซะบงหนึ่งฝืนเนี่ย เนี่ยปลื้นสองข้าขาดแล้วพอแล้วครับสบายแล้วทำไมมันมีอยู่ครับไม่มีมันขาดแต่ขอดิพมบภาวนาแล้วนี่ไม่จาเป็นจะต้องไปเจ็บให้มันมากจะมันยุ่ ง, ง เ, ร เ, รเราถึงนั้นเลยครับเพื่อความสะดวกเราเท่านั้นนี่ขอจะเอาสิ่งที่มันจำเป็น สถานที่สองก็เกิดเดือดร้อนเ่มาเกิดมันนุ่งพระมาจากถิ่นดืนเนี่ยได้เงินมาไปฝากกอขาวไว้นี่อันนี้ก็เป็นเหตุอีกแล้วครับเดี๋ยวกะพาไปซื้อของเดี๋ยสั่งโน้นสั่งนี้ตลอดการเลยเไม่ใช่เป็นคนเฉมาหน่อยอยู่ลำบากบางทีอุบาสกก็หนีไปเลยครับ เดี๋ยเอาน้าตาลเนี๋ยวเอาน้ำอ้อยเดี๋ยวเอาอันนั้นเนี๋ยเอาเอาตามภาษาความอยาก บ, บางทีพระบางองค์เป็นคนใจดีนะเน้นเนี่ยตกมน้ำร้อนก็ได้เท่านั้ น, น, นก็ไม่เคยว่าเด็กก็ไปคนนี้ก็ไปแต่คนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปคนนี้ก็ไปว่าเห็นพระองค์ง น, นี้เน้นตรงนี้ใช้สบายต้มนี้ลําคาญนี่ครับหนีนี่ครับนั่นเป็นองสิตสัมพันธ์ ยานี่ผมคิดว่ายามันเป็นโรคจริงๆนะครับนั่นแหละเป็นมาหาผมไปโรงพยาบาลก็ได้ครับยานว่าน้นาตานี่มันพอไม่ได้แร้วครับอันนี้ตัดมานออกนะฉันได้เมื่อว่าเขาฉันอย่ากนั้นเขาต้มมาเขาทําม้ฉันเขาเรียกไปสะดวกมากปีหนึ่งผมเนี่ยฉันเนรเสร์นลูกจิตของผมปลอยก็รังไปอยู่เขื่อน ท่านวิทย์เป็นหัวหน้าผมไปเยะมหมวหัวซาเอาลังแสซี่เอาหนังตาไปสวายมีใคฉันเลืฉ่ฉันกันเลยครับแสซี่ก็หลาเลิ่กันเลยจุกจิกไม่ต้องฉันเนี้ยนอกจากว่ามันเป็นไข้มันเป็นโรคจริงๆครับอันนี้ไม่ฉันนี่เลิกกันมันสบายเนื้อเกินครับ น้ำฝนเอามากรองลีสะอาดซะแล้วฉันเด็กถามผ้ากระหลังว่าทำไ ม, ไมห่วงน้ําแข็งไหมทําไมหิวไหมมันมาอยู่ที่นี่ผมว่าผมว่าไม่มีโรงน้ําแข็งซะแล้วสบายนี่ก็ทําที่สบายของเราอืพวกเราปีนี้คงมันตันหนึง่งเองปีนี้ ต่อไปนี่อีทิทธิฤมานี่ก็ะเมินฉันจะต้องทำไม่จิบจิบจับจัดแล้วฉันมือเรียวเดียวก็เลิกเท้วนี่ยเอาอะไรมันเนี่ยผ้าก็จะใช้มันมากเลยใส่มันสองพืนเลยนะเนี่ยจะโบมก็สองพื้นเลยนะอันนี้ก็ต้องคากีวรเลยนะกะติเล็กเ็กจ่าที่ไหนก็ได้ครับมันรักษาง่าย บางคนแบบสองพื้นสามพื้นวุ่นวายตลอดไอ้คนที่ง่ายก็ง่ายที่สุดคนที่ไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องดูที่ปีนี่ไม่ถึงคำภาษ า, าเลยส่งพระไปอยู่นั้นเนี่ยหนีมาแล้วทําไมถามอ่ะไม่สนุกคําพูดอันนี้มันเป็นคํำพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเนะี๋ยวระหวดมาเพื่อความสะดวกกันเนี่ย แล้วมีเรียนหญิงงค์หนึ่งนี่ทรงเรียนปูม่วงกลับมาเลยครับมาตรงนี้อีกอหนี้ไปอีกไม่ต้องบอกใครนี่นี่มันเป็นอย่างนี้ประกันทั้งหลนะ า, ายนี่ยก็ไม่ใช่ตัวตนอันนี้มันอันนี้มันใช่ไม่ได้แล้วเสียหายมากทีนี้นี่พึ่งเอามาไว้ในวัดมาไว้ในี่ดมาไว้นี่ตอนที่วัด คือวาอาจารย์มาท่านอยู่กติหลังนี้ก็ต้องอยู่ตรงนั้นเหลดไปอยู่สถา น, นก็ต้องไปไม่มีอันตรายนะไม่เป็นอันตรายพระเด่นเขาก็อยู่ได้อะไรเขาก็อยู่ได้นี้มาเพราะว่ามันไม่สนุกคำพูดตอนนี้นะครับมันเสื่อมเสียหายมากเลยเกิดพวกเราจังหลวยจะไปคิดเช่นนั้นสิทุกคนไปคิดเช่นนั้นไม่ได้ อันนี้เลยท่านทุกท่านนะ่ะจะต้องเปลี่ยนแปลงมาอยู่เนี่ยคุกคีกันบ่ได้ต้องทําใจปฏิบัติเรื่องพวินยัยเดี๋ยวนี้พวินัยยังไม่ได้อ่านต่อไปอ่านพวินยัยฟังพวินัยกันไปด้วยอืมอดีอันนี้ไปข้อปฏิบัติที่ว่ามันยากยากเลยมันไม่ได้มีอะไรมันยากมันกวดฟังยังไม่ได้ไม่รู้เรื่องของมันอืม ที่เรามาทำนี่ที่เรามาปฏิบัตินี่มี่ใจ่า่าเรามาทำตามใจเราพระพุทธเจ้าจังก็ไปทำตามใจของท่านเนอะถ้าทำตามใจของท่านจังก็มาเห็นไม่เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันเราแค่มาทำตามใจเจ้าของ ใจจะของจะทําเพราะตันหากินเพราะตันหาเดินเพราะตันหานอนเพาะจันหานั่งเพราะจันหาเมื่อเอาตามใจเราก็ทํากามใจเราก็เป็นตันหาทําตามตันหาแต่นั้น